นี่ธรรมะหมวดเจ็ดนี่เป็นชงเลยเนาะเพราะชงนี้ก็แปลว่าองค์แห่งธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้เนี่ยนะเพราะคําว่าโพธิ์ที่นี่หมายถึงการตรัสรู้ตรัสรู้ในที่นี้หมายถึงตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะทีนี้ถามว่าในบรรดาองค์ทั้งเจ็ดเนี่ยนะคือสติธรรมะวิจัยวิริยะปีติ ปสสัตทิสมาธิอุเบคาทั้งเจดประการนี้ถามว่าตัวไหนเป็นตัวที่ตรัสรู้เนี่ยนะไม่ใช่ตรัสรู้ทั้งเจ็ดนะที่ตรัสรู้นั้นคือธรรมวิจัยสามโพชงที่ตรัสรู้มีองค์เดียวแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆก็เกื้อกูลต่อธรรมวิจัยเนี่ยนะท่านก็เลยเรียกว่าองค์แห่งความตรัสรู้เนี่ยนะ ทำทําให้ตรัสรู้ขึ้นก็คือตรัสรู้สัจจะตื่นจากความหลับเนี่ยนะตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะทีนี้ถามว่าความเป็นโพชฌงนั้นมีตั้งแต่เมื่อไรคือโพชฌงนี่แบ่งเป็นสองคือที่เป็นโลกยะกับเป็นโลกุตระคล้ายๆกับสติปัฏฐานนี่แหละเนี่ยนะโพชฌงนั้นถ้าจะว่าไปเนี่ยจำเดิมแต่วิปัสนาไปท่านเรียกว่าโพชฌงเนี่ยนะจำเดิมแต่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะ คือจำเดินแต่เจริญสมถาวิปัสนาเป็นปายนี่เรียกว่าโพชฌงละเซึ่งระหว่างโพชฌงนี้ที่แสดงไว้เจ็ดประการเพราะเป็นปฏิปักิต่อธรรมะต่างๆเ ย, ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าโพชฌงทั้งเจ็ดนั้นธรรมะวิจยะสามโพชฌงเวิริยะสัมโพชฌงปีติสามโพชฌง ปสตที่สามโพชงสมาธิสามโพชงเนี่ยนะเหมือนสองแล้วก็อุเบกขาสามโพชงเนี่ยนอย่างเช่นวิริยะนี่เอ่อธรรมวิจัะนี่เป็นปฏิปกักษ์ต่อต่ออวิชชาเนี่ยนะ วิริยะนี้เป็นปฏิปักต่อความเกียรติครานเนี่ยนะปีตินี้เป็นปฏิปักต่อคือปฏิปักต่อธรรมะกลุ่มอารติเนี่ยนะกลุ่มกลุ่มอารติคือพวกที่พวกพวกที่ขาดปีตินะถ้าว่าตรงๆก็คือพวกคนเหือดแห่งทั้งหลายแหละเนี่ยนะ ค, คือเหือดแห้งไม่กระชุ่มกระชวยอะไรเลยนะมันถา้ามันเหือดแห้งอะ่ปะปัสสัทธินี้ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อความเนี่ยนะจไม่ได้ส่วนสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อความฟุงรร้งซ่านเนี่ยนะอุเบกขาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเนี่ยนะสองอ่าปัสสัทธิกับอุเบกขาจาไม่ได้ นะสตินี้ที่ที่ยังไม่กล่าวยังไม่ยกขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสติเป็นตัวสำคัญทั้งหมดเนี่ยนะ เ, เวลาไหนถามว่าทำไมท่านจึงแสดงโพชฌงเอาไว้เจ็ดประการเนี่ยนะก็เพราะว่าธรรมะวิจัยนั้นคือเป็นปฏิปักต่ออกุศลเนี่ยนะถ้าขณะใดที่ ความหดหูเกิดขึ้นเนี่ยนะหดหูเนี่ยนะท้หหนะอแท้ท่านให้เจริญโพชฌงคือธรรมวิจยะวิริยะปีติเนี่ยนะโพชฌงสามประการเนี่ยถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่จิตหดหูเนี่ยนะตามที่สมมติว่ามันซึมซึมเซ่อเซ่ อ, ซอขี้เกียจเกียจคร้านเนี่ยประเภทนี้ให้เจริญธรรมวิริยะปีติสามโพชฌง แต่เมื่อไรที่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยนะฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนั้นให้เจริญปัสสัที่สมาธิและอุเบกขาสามโพชฌงท่านบอกว่าอย่าเจริญสลับกันสลับกันนะห้ามว่างั้นเช่นว่าเวลาไหนที่ฟุ้งซ่านอยู่ อย่าเจริญธรรมะวิจยะวิริยะปีติสามโพชฌงถามว่าเหมือนอะไรเหมือนคนอยากดับไฟแล้วใส่ฟืนเนี่ยนะไฟเนี่ยต้องการจะดับแต่ก็ใส่ฟืนแนละ้วมันจะดับได้ไหมบอกดับไม่ได้ mm hmm. เวลาหดหูเวลาท้อแท้เบื่อนายง่วงๆซึมๆเซื่อๆเนี่ยนะอย่าเจริญปัสสัตที่สมาธิและอุเบกขาสามโพชฌงถามว่าทำไมคือไฟมันรีอยู่แล้วเอาขี้โคไปใส่อีกนะ หรือคือเอาของสดๆไปใส่กับมันก็ยิ่งจะดับไปอี ก, ก น, นะยิ่งจะที่จะมอดก็จะมอดไปเลยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าแจ่เจริญสับกันก็ให้เจริญตามสมัยแบบนี้นะแต่ถ้าว่ารวมๆไปแล้วนะจิตของคนเนี่ยมันจะมีหลักๆและสองอันเนี่ยคือหดหูกับฟุงฟนะฟ้งซ่านเนี่ยนะตอนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะเช่นร่าเริงในบาปอากุศลก็จะคล้ายๆกันนะร่าเริงในอกุศลทั่วๆไปก็เรียกว่ากลุ่มฟุ้งซ่าน น, นะคือไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยสักทีหนึ่งไอ้หดหูนี้มันก็จะหลับมิหลับแรเนี่ยนะก็เบื่อนหน่ายไปหมดให้เจริญโพชฌงตามนี้ถามว่าอะไรเป็นตัวบอกว่าให้เจริญก็บอกสติสัมโพชฌงเป็นตัวเป็นตัวให้เจริญเนี่ยนะสตินี้เป็นตัวกําหนดว่าตอนนี้หดหูนะตอนนี้หดหูควรเจริญธรรมวิจยะวิริยะปีติสัมโพชฌงตอนนี้ฟุ้งซ่านนะควรเจริญปัสสัททิสมาทิและ อุเบกขาสัมโพชงทีนี้ธรรมวิจยะสามโพชงเนี่ยนะเมื่อเป็นปฏิปักต่อวิชาสิ่งที่ธรรมวิจัยค้นคว้าเนี่ยค้นคว้าอะไรก็ค้นคว้าสัจจะเนี่ยนะธรรมวิจัยนี่จะค้นคว้าสัจจะส่วนวิริยะที่ต้องการความเกียรติคร้านก็ต้องเป็นสัมมประธานเนี่ยนะ ส่วนอารตินี้ก็ต้องที่เจริญเนี่ยเจริญอะไรเจริญอนุสติทั้งหลายอันนีกรรมฐานที่จะทําให้เกิดปีติและปราโมทนั้นคืออนุสติอันนีอนุสตินั้นเป็นอาหารของปีติอย่างดีส่วนปัสัตที่นี้อันนีความสงบก็สมถะทั้งหลายที่ที่ก่อเกื้อกูลให้เกิดความสงบนั่นเอง ส่วนสมาธินั้นถ้าตรงๆก็เป็นไปกับฌานส่วนอุเบกขาสามพ่ชงนั้นเป็นธรรมะที่ทำความก็ใจนิดหนึ่งว่าต้องเจริญธรรมะเหล่าอื่นเนี่ยเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะพ่ชงหกข้อแรกนะสติธรรมะวิจยาวิริยาปีติปัสสัตที่สามพ่ชงเนี่ยเจริญดีอยู่แล้ว น, นะ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่ว่าทุกอย่างสมํ่าเสมอหมดเลยเวลานั้นเป็นสมัยที่ควรเจริญอุเบกขาเช่นว่าวิ ธ, ธรรมวิจัยก็ไปดีวิริยะไปดีทุกอย่างไปดีหมดเลยที่เหลือก็ประคองเอาไว้ท่านบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนกับท่านบอกว่ารถม้าเนี่ยนะเมื่อไหร่ที่มาเนี่ยมันไม่ค่อยวิ่งกิจของสารถีคือกระตุ้น กระต้นให้ม้ามันวิ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มันวิ่งเร็วเกินไปกิจของสารถีคือช่วยยับยัง้งว่าช้าๆหน่อยนะ่อนหน่อยนะทีนี้ถามว่าเมื่อรถม้าวิ่งสมาเสมอก็อันนั้นเจริญอุเบกขาทีนี้ถ้าสมาเสมอนี่มันแค่ไหนล่ะคนที่เจริญกุศลดีน่าจะรู้ดีว่าช่วงไหนที่ที่ควรที่จะอนนะมันไปเรื่อยๆได้แล้วนะ สมควรที่จะปล่อยได้แล้วเพราะฉะนั้นกิจของการเจริญธรรมะก็ให้เป็นไปตามนี้นะถามว่าการเจริญธรรมะเราเนี่ยสังเกตจากอะไรอะไรเป็นเครื่องสังเกตก็คือธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหมหน้าก็สังเกตที่จิตนั่นแหละว่าจิตของเรานี่เป็นไปกับอะไรมากเนี่ยนะเป็นไปกับอะไรมากก็ปรับปรับไปตามนั้นเนี่ยนะเมื่อไหร่ที่ จิตหดหูก็รู้ว่าควรเจริญกรรมฐานกลุ่มไหนเมื่อไรที่จิตฟุ้งซ่านก็ควรรู้ว่าเจริญกรรมฐานกลุ่มไหนไปการเจริญแรกๆนี่ยนะมันเป็นการแยกเจริญแยกเจริญเป็นรายๆไปแต่ถ้าในระดับโลกุตระก็คือธรรมะเหล่านี้มาประชุมกันเมื่อธรรมะเหล่านี้ประชุมกันการตรัสรู้สัจจะจึงมีขึ้นถ้าทั้ง8ดเอ่อขอทั้ง7นี้ไม่ประชุมกัน การตรัสรู้อริยสัจมีไม่ได้เนี่ยนะแต่วิปัสนาสามารถเจริญได้แต่การตรัสรู้สัจจะมีไม่ได้เพแปลงคำว่าภาวนานั้นหมายถึงว่าโพ่อชงประชุมกันเนี่ยนะกิจในการแทงตลอดอริยสัจซึ่งส่วนในรายละเอียดของโพ่อชงโดยพิสดารเนี่ยนะก็คงเรียนธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะพชงบับพพะตรงนั้นจะพูดถึง ว่าเมื่อพ่ชงทั้งเเรานี่ยนะมีณภายในจิตก็รู้ชัดเมื่อไม่มีก็รู้ชัดเมื่อมีแล้วก็เพราะอะไรนะเพราะอะไรพ่ชงจึงเกิดก็รู้ชัดแล้วพ่ชงที่เกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงจึงจะเจริญบริบูรณ์ก็ต้องรู้ชัดเนี่ยนะก็ด้วยกรรมฐานต่างๆจะกล่าวละเอียดก็ในพ่ชงบับเพาะ ในพระสูตรบางสูตรนี้บอกว่าพจน์ชงทั้งเจ็ดนี้เป็นธรรมะเพื่อความไม่เสื่อมนะผู้ใดมีโพชนชงเจ็ดก็รู้ได้เลยว่าจะเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมเรียกว่าอปริหานิยธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมในอังคุสตสตการนิบาศเนี่ยนะหมดเจ็ดพูดถึงว่าใครมีโพชนชงเจ็ดนี้ก็ไม่เสื่อมนะเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อม พ่อช่องนี้พูดถึงลักษณะว่าคนที่เจริญวิปัสสนาไปเนี่ยนะคือถ้าถ้าจะเจริญสำนวนว่าจเจริญเป็นการเป็นงานเหมือนั้นเถอะเสร็จแล้วบางช่วงอะนะบางเวลาเกิดหดหูขึ้นมาไปตรึกอะไรบางช่วงขึ้นมาเกิดมันสงบนิ่งแล้ะ ไปตรึกอะไรต่อไปเนี่ยนะ ก, ก็สังเกตไปตามตามอาการที่เกิดขึ้นของตัวเองอันนี้พูดถึงคนที่เจริญต่อเนื่องจะรู้ดีเช mm hmm. ่นว่าสมมตินะว่าวันนี้ว่างว่างงั้นเถอะไม่ทำอะไรละแต่แต่เช้าจดเย็นเนี่ยให้คุณคิดแต่ธรรมะอย่างเดียวทีนี้อปกติไปคิดธรรมะอย่างเนี้ยมันจะได้สักกี่นาทีเจ้พอเจริญไปนะอ้าหดทวกแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องนี้มาคิดนะ พอจเจริญไปนะอา้ามันสงบแล้วนะเอ๊ะมันชักจะง่วงอีกเลยละเอา้าคิดเรื่องนี้ไปอีกนะก็ก็จะสลับคระเคาอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วนะก็สังเกตเจิตตัวเองให้มากๆเลยเนะีนะ่ยเพราะว่าไอา้การที่ปรับจิตไปตามสภาวะต่างๆไอ้ตรงนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นการฝึกจิตเนี่ยนะ เช่นถ้าจิตโหดหูนะให้ให้เจริญอันนี้เอาไว้เนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นการฝึกจิตตอนไหนที่จิตฟุ้งขึ้นเนี่ยนะขมด้วยอะไรตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นการฝึกจิตเหมือนกันเนี่ยนะก็ฝึกจิตไปตามสภาพนั้นๆเนี่ยนะอันนี้อันนี้ก็เป็นโลกอีกรอบหนึ่งเลยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นโลกของการเจริญเป็นเรื่องเป็นราวเลยการที่จะทําปริญญาให้ติดต่อกันเป็นไปไม่ได้ ถูกไหมครับเจนทอนให้ในเมื่ออินทรียังอ่อนอยู่เนี่ยหรือไม่ใช่เป็นพระอรหันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ย่อมมีกิเลสเข้ามาสลับก็แทรกเรืยนะมืกิเลสเข้ามาสลับก็เอาอันนี้ไปแก้เจนทอนแก้แก้ไปตามนั้นจริงๆแล้วอ า, อากุศลที่แทรกเข้ามานะไม่เกินเครื่องมือเจ็ประการนี้เราเอาไว้แก้เนี่ยนะโพชงเจตนี้แก้ได้แล้วคือถ้าจะไปธรรมวิจยะนั่นแนหะคือจเจริยสติปัฐานจริง ทำปริญญาจริงแต่ทำไม่ได้ตลอดอย่างนั้น okay. หรอกก็พอทําไปหน่อยนั่นมันนึกง่วงขึ้นมาจะทําไงกันี้เนี่ยนะตรงนั้นแหละที่ที่จะต้องไปเนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงเนี่ยนะให้มากๆปีติสัมโพชฌงเนี่ยให้เกิดมากแต่ถามว่าโพชฌงเหล่านี้มันเกิดได้จากอะไรออย่างนี้นะว่าถ้าคุณมานสิการไปที่อารมณ์ของสติปฐานมากๆอันนั้นแหละเรียกว่าเจริญสติเมื่อใดที่ ค้นคว้าในเรื่องขันอายตนะถ้าสัจจะมากขนาดนั้นเรียกว่าเจริญธรรมวิจัยเมื่อไหร่ที่เจริญเช่นอนุสติที่ก่อให้เกิดปีติอันนั้นแหละเรียกว่าเจริญปีติเนี่ยนะเมื่อไหร่ที่เจริญแล้วก็สงบประงับเนี่ยนะสงบประงับจากบาปอกุศลขนาดนั้นก็เป็นปัสัานที่ก็ก็เจริญไปตามนั้นอย่างนี้คือตัวสติามันน้หน้าเาควาว่าตัวสติเขาจะเป็นตัวรู้เลยว่าต อ, อนนี้มันอยู่ในขั้นที่จะต้อง เจริญใสามพุทธงข้อไหนเจริตอนสติเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวปรับนะที่เป็นตัวปรับนี่ถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากสุตตะที่ศึกษาคำสอนมาเป็นอย่างดีแล้วรู้เลยว่าถ้าชีดแบบนี้อะไรเกิดขึ้นต่อไปเนีย่ยนะเป็นทางแห่งความเสื่อมหรือเป็นทางแห่งความเจริญควรข่มหรือควรประคับประคองเนีย่ยนะสติเขาเป็นอย่างนั้นสตินี่ท่านบอกว่าเหมือนกับปรินายกของพระเจ้าจักรพรรดิ ที่รู้เลยนะว่าคนมาเข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นยังไงคนนี้นะกลุ่มนี้นําประโยชน์มาให้พระเจ้าจากักรพรรดิลักษณะนี้ก็เหมือนกับเป็นการปรับอินทรีย์ดิครับเออคนที่เจริญโพธิชงได้ก็ต้องปรับอินทรีย์เป็นแต่ว่าเรียกเขาเรียกว่าเรียกคนละกลุ่มเท่านั้นเองจริงๆแล้วก็โพธิสติปัฏฐานสมามัคคปัฏฐานอิธิบาทอินทรีย์พร ะ, ะโพธิชงอะ่ะคือสิ่งเดียวกันแต่ยักย้ายด้วยเทศนาวิราชเนี่ยนะ คือสำนวนเทศนาวิราชหมายคำว่าการยักย้ายเทศนาเนี่ยนะการยักย้ายเทศนาให้เหมาะกับอัธยาศัยของของสัตว์ถ้าดูในพระไตรปิฎกมีไม่กี่สูตรที่จะแสดงพร้อมกันนั่งสติปทานสมมติปทานอิธิบาทอินทรีพระละพ่อชงมรกแปบดบพร้อมกันพิ่มเดียวเลยนะน้อยเต็มทีที่จะแสดงแบบนี้อ้าวไปเจอคนนี้นะแสดงสติปทานไปเจอคนนี้แสดงอินทรีย์เจอคนนี้แสดงพระละ เจอคนนี้แสดงโพชงเจอคนนี้แสดงสัมมาประธานเนี่ยนะก็แสดงตามตามอัธยาศัยของเวไนยนะแต่ถ้าว่ารวมๆแล้วคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คือโพธิปักษิธรรมถ้าเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นก็ชื่อว่าเจริญที่เหลือด้วยเนี่ยนะถามว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทั้นก็ดูอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลเข้าใจคําว่าสติเป็นอย่างดี เนี่ยนะเข้าใจคำว่าสตินะว่าสติคือการอย่างเมื่อกี้นะว่าเหมือนอปรินายกของพระเจ้าจากักรพรรดิรู้เลยว่าใครมาเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าจากักรพรรดิใครมาทำลายแล้วก็เปิดโอกาสให้คนมาเพื่อประโยชน์เข้าเฝ้าต้องการคนทำลายเนี่ยกันออกไปสติก็เหมือนกันรู้ว่าสภาพจิตตอนนี้เป็นยังไงว่าอันนี้อกุศลเข้ามานะควรกันออกตอนนี้กุศลควรควรส่งเสริมควรพ่อผูเนี่ยสติจะเป็นตัว ตัวปรับเนี่ยนะสติอันนี้ถ้าว่าโดยโพธิปักนั้นเป็นสติปัฏฐานเนี่ยนะสตินั้นเป็นเอ่อปกอบเอาโพธิปักก่อนนะโพธิปักประกอกสติปัฏฐานสมาัมมประทานอิทธิบาทอินทร์ภละเนี่ยนะโพชอง แล้วก็มักเนี่ยนะทีนี้เอาเอาสติก่อนนะสตินั้นเป็นสติประธานสติไม่เป็นสัมมประธานสติไม่เป็นอิทธิบาทสติเป็นอินทรีย์สติเป็นพระสติเป็นโพชฌงสติเป็นมักเนี่ยนะทีนี้ถ้าวิริยะล่ะวิริยะนั้นเป็นสัมมประธานเป็นอิธิบาทวิริยิธิบาท น, นะวิริยะเป็นอินทรีย์วิริยะเป็นภะละวิริยะเป็นโพชฌงวิริยะเป็นมัคเห็นไทีนี้ต่อไปวิริยะสติถ้าสมาธิเลยนะสมาธินั้นเป็นจิตติที่บาทเนี่ยนะก็คือกลุ่มสมาธิอินทรีย์ภละโพชฌงมัคเห็นไหถ้าวิริยะล่ะอขออภัยปัญญา ปัญญานั้นเป็นอิทธิบาทปัญญาเป็นอินทรีย์ปัญญาเป็นพละปัญญาเป็นโภชงปัญญาเป็นมักอนนะก็ก็จะเข้ากันได้ด้วยอาการอย่างนี้นั่นเองเห็นไหมอันนี้พอเป็นตัวอย่างนะ แต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วคําสอนที่พระผู้มีพระภาคแสดงเพื่อการออกจากทุกเนี่ยคือโพธิปัจจัยธรรมเนี่ยนะโพธิปัจจัยธรรมนี้เรียกว่านิยานิกธรรมเทศนาที่พระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมะเพื่อ น, นําออกจากกองทุกได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะแล้วก็เรียกว่ารัตนะในาศาสนานี้เนี่ยนะรัตนะในาศาสนานี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับทะเลนะท่านบอกว่าทะเลเนี่ยมีรัตนะมาก เป็นที่ยินดีของสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยนะฉันใดธรรมวินัยนี้ก็มีรัตนะมากรัตนาคือสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินรีพระโพชฌงอริยมักมีองค์แปดที่เป็นเหตุให้พระอริยะบุคคลยินดีในศาสนานี้เนื่องจากมีรัตนะเหล่านี้นั่นเองซึ่งรัตนะเหล่านี้ถ้ามีในบุคคลใดก็นำบุคคล น, นั้นออกจากวัตทุขกเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าขยาย ท่าโพธิปัจกยธรรมทั้งสา อ, ออกมาก็เป็นอะไรเป็นพระไตรปิฎกเห็นไหมก็ถ้ากล่าวว่าโพ่อชองนะธรรมะกลุ่มอื่นๆก็ชื่อว่ากล่าวแล้วด้วยนะโพธิปัจกยธรรมทั้งสาบเจ ก, ก็ชื่อว่ากล่าวด้วยโพธิปัจกยธรรมเหล่านี้ก็แบ่งออกเป็นสองส่วนคือที่เป็นโลกิยะกับเป็นโลกุตระเจริญโลกิยะก็เพื่อโลกุตระเพราะฉะนั้นบางในนี้แสดงไว้เลยว่า เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัเนี่ยนะเจริญวิริยะธรรมวิจยะสัมโพชง์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสล ะ, ะ, รร ะ, ส ถ, สละถ้าเอา <c oughs> อสติอย่างเดียวขึ้นมาตั้งก่อนนะเจริญสติสามโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะแล้วก็ปฏินิสักะเนี่ยคือน้อมไปเพื่อการสละก็คือปฏินิสักะนั่นเองเนี่ยนะวิเวก น, นั้นหมายถึงวิเวกห้าวิราคะห้า 5, นิโรธะห้า เนี่ยนะทั้งห้าอย่างนั้นก็คือห น, นึ่งตัดทางคะ 2. สองวิขำพนะเนี่ยนะสามก็สมุทเฉดสี่ก็ปฏิปัตสัตยทห้าก็นิสรณะเนี่ยนะ แต่ทางคาก็คือวิปัสนาวิคัมพนะคือสมถะสมุทเชธะคือมักปฏิปัสสธิคือผลนิสรณะคือนิพพานเนีย่ยนะก็เจริญสติสัมโพชฌงเนี่ยน้อมอ่ะเรียกว่าอาศัยวิเวก ค, คือให้เป็นไปกับนิวิเวกทั้งหเนี่ยนะเป็นไปกับวิราคะห้าเป็นไปกับนิโรธะ ทั้งห้าประการแล้วก็น้อมไปเพื่อการสละปฏินิสค่ามีสองอย่างคือบริจาคปริจาคะบริจาค ก, ก็คือเสียสละหรือละหรือประหารเหนไะ อ, อันนี้หมายถึงละอะไรสมุทยัยเไหมแล้วก็ ปักขันธนะปักขันธนะตัวนี้เท่ากับแล่นไปเนี่ยนะนี่หมายถึงนิพพานเนี่ยนะ